ต่อไปจะเทศเรื่องนรกและเรื่องสวรรค์พระพุทธเจ้าตัดไว้ไหมตัดไว้แล้วเรื่องเทพเรื่องเทวดาเรื่องสัตว์นรกสัตว์ดิลสานปรีร่ยนอสุรกายมีอยู่ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อยู่อย่างโลกนระกก็ตัดไว้อบายภูมิเป็นสัดิลสารที่เราเห็นอยู่แหละสัดิลสารเปลือโอดดากหิ้วหอยอสุรกายผีสางนางไม้ เจตสารเปรตอสุรากายสันโนโกนรกมีอยู่แปดขุมเขาเรียกเป็นคุม้มขุมไปเลยสันสีวนโลกคนตายไปแล้วเนี่จะไปไหนไปสวรรค์ก็ไปนรกนี่แหละไม่ใช่ตายแล้วก็แล้วไปหมดเรื่องหมดราว อั น, นั้นไม่จริงตายแล้วยังไม่แล้วตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโสดาบันเราจะต้องเกิดแก่เก็บตายอยู่หลายภพชาติกว่าจะได้พ้นจากทุกข์กว่าเราจะพ้นจากทุกข์นี่มันนานแสนนานเกิดตายมาแล้วกี่ครัง้งกี่หนก็ไม่รู้ เพราะนั้นึงอยากให้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องโลกสวรรค์ตัดไว้ในเทวทูตสูตรก็มีที่อื่นก็มีในพระไตรปิฎกมีอยู่สองเล่มเรื่องนรกเรื่องสวรรค์สันสีวานรกเป็นนรกขุมแรก มีอายุยืนพันปีนรกนรกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวะนรกนี่เท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์วันเดียวคืนเดียวนะแต่สันชีวะนรกนี่มีอายุยืนถึงพันปีนรก แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกนั้นเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์คนทำบาปหยาบช้าตายไปก็ตกนรกขุมนี้ตกลงไปแล้วเนื้อหนังมังสารนี่โอ้ถูกต้มจนเปื่อยหายไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกเป็นๆตายๆอย่างนี้ตลอดตลอดหนึ่งพันปีนรก เดือดร้อนมากมีทุกขมากมีข้อลำบากขับแก้นมากแต่ก็พ้นไปไม่ได้เพราะาได้ทำบาปไว้พอทำบาปไว้มากก็ตกนรกขุมลึกลงไปเรื่อยจนถึงอาวปกีมหานลกนรกแปดขุมสันชีวานลกสังคาตนลกการสุตนรก โลวลวนลรกตาปนาลกมหาตาพนาละโกเวีกีมหานลกนี่นรกมีอยู่แปดขุมนี้ใครทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดไม่มีศีลมีธรรมไม่ได้ปฏิบัติทำไว้ไม่ได้ทำความดีเอาไว้ได้ไปต้องไปตกนรกขุมนี้ขุมอื่นก็คูณขึ้นไปว่ามันเท่าไหร่ ถึงอวิีมหาโลกนี่มันก็หนึ่งอันตรกับอุ้ยนานแสนนานนานมากเลยนานมากพระเทวทัตเนะ่ไปตนกนรกอวิีมหาโลกที่เลยทาชั่วทาบาปไว้ในพุทธศาสนาตายไปแล้วก็ตนกนรกขุมนี้ ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ฆ่าพระรหันทำสงฆ์ให้แตกจากกันอันนี้ตายไปแล้วต้องไปตกนรกอเวกีเดือดร้อนมากอเวกีแปลว่าไม่มีระหว่างแห่งความสุขเลยมีแต่ความทุกข์พระเทวทัตาตายแล้วก็ไปตนกนรกกลุมนี้มีทุกข์มาก แต่ว่าจะอยู่ไปกว่าจะถึงหนึ่งอันตรกรัแ บ, บแมันหลายกว่านั้นน่ะมันตายไปเกิดเกิดตายตายเกิดอยู่นนเนี่ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิ ด, ด, กดกไม่ใช่ว่ามีชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วก็แล้วไปไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ต่อไป เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดยังมีเกิดมีตายอยู่เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรายังไม่คุ้นทำในพุทธศาสนาเรายังไม่ได้มรรคผลเป็นพระยียบุคคลตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปโอกาสที่จะไปสุนรลกมีมากมีมากเลยเหลือไม่ได้เลยระวังไม่ไม่ไหวเลย พอเหตุที่จะให้ทําบาปหนีมากคนไม่มีศีลเนี่ยรับกองบุญไม่ได้เลยนะถึงญาติอุทิศให้ก็ไม่ได้แต่พอถ้าให้มีศีลปั๊บเท่านั้นแหละรับบุญได้เลยบุญที่ญาติทำให้เนี่ย แต่ละครั้งแต่ละหลนนี่ถ้าสัตว์นรกเหล่านั้นไม่มีศีลไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้รักษาศีลอันนี้ลำบากมากต้องไปตกนรกแน่นอนให้คิดดูสิวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกน่ะเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์อายุของนรกนี่พันปีในโลก ลองคิดดูสิเก้าล้านปีนานแสนนานเพราะคืนเดียววันเดียวก็มากปานนี้แหละละบากปานนี้แหละตกทุกข์ได้ยากปานนี้แหละเดือดร้อนมากจึงเรียกว่าสันชีวานรกคือตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่นะ จนกว่าจะสิ้นกรรมจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะการที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มันโชคดีที่สุดเลยเต่าน้อยตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลหลวงร้อยปีก็โผล่หัวขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็ดำลงไปร้อยปีก็ขึ้นมาอีกเต่าน้อยตาบอดนั้นหวังจะเอา หัวมันน่ะสอดเข้าเอกน้อยลองคิดดูสิมันได้ไหมล่ะมันได้ไหมตาบอดด้วยาตาดียังคอยชั่วมีตาบอดมันสุดแล้วตาบอด ร, ร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง หวังจะเอาหัวไปสอดเข้าเอ็กน้อยแล้วอ่ะมันยากไหมล่ะท่านวาทุกท่านทุกคนลองพิจารณาดิมันยากไหมตาดีก็ยังค่อยช่วนี่ตาบอดอีกด้วยเมื่อไรมันจะสอดเข้าห่วงอย่างได้หรือเอ็กน้อยได้คนมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็วั่นเต่าตาบอด นานแสนนานกว่าจะได้ยากแสนยากกว่าจะได้มาเป็นคนเนี่ยมวนเต่าน้อยแหละยากแสนยากที่จะได้มาเป็นคนเสียได้มาทมําบุญทำกุศลสร้า ง, ส, างสม บ, บัตมียากเหมือนกันเพราะท่านกล่าวาว่าโคตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขา นอกนั้นเป็นขนโคทั้งหมดคนที่ไปสวรรค์หรือไปสู่สุคติภูมินั้นมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนเขาหัวตัวหนึ่งนั่นแหละที่ได้ไปสวรรค์ไปสูงสุดไปถึงพระนิพพานนะ้ากบเขาโคสองเขา คนไปสู่ไบยภูมิคือเป็นสัต์เดียรสารเปรตอสุรกายสนนรกเหมือนขนโคเนี่ยเยอะไหมขนโคเยอะมากเยอะมากขนโค่เยอะมา ก, มา ก, น, มากนั่นแหละกว่าเราจะไปสู่ข้อตีได้มาเกิดพุทมนุษย์ได้ไป สอนได้เลยมันมีน้อยหน้อยมากกว่าจะได้เป็นมนุษย์กว่าจะได้เป็นเทพเทวดากว่าจะได้เข้าบัานที่ผ่านมันเหมือนเขาโคเลน้อยนิดเดียวอาอย่างนี้แหละอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมการอย่างนี้มาจากทุกที่ทุกทางําหน้าได้จําชื่อไม่ได้ จำชื่อได้แต่ไม่ถูกหน้าก็ว่ากันไปกว่าจะได้พ้นจากทุกนี่มันยากเสร็จยากมันน้อยส่วนไปสุขติสวรรค์ไปพมทธโลกไปพระ น, นิพพานนี่มีน้อยด้วยเหตุ น, นี้เราจึงต้องทำความภาคความเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิตของเราถึงธรรมมีมากมีผลเกิดขึ้นในใจ ก็จะมีความสุขตายแล้วก็มีความสุขไปสวรรค์ก็มีความสุขไปพระนิพพานก็มีความสุขเดยนี้พานนงประมังสุขขังพูดถึงพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรสุขเท่าไปพระนิพพานการที่เราทำอยู่นี่ก็เดินทางไปพระนิพพานแต่ละครั้งที่เรามาปฏิบัตินี่ยเราพยายามเดินทางไปสู่พระนิพพาน นรกนะมีจริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในเทวทูตสูตรเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปปูนคุณโทษทต่างๆมันมีในพระไตรปิฎก ค, คาสอนนะคาสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกองค์คงสแสดงไว้แล้วหลายเล่มถ้าเป็นภาษาไทยสามสี่เล่ม ใจปิดกได้ไปใหญ่ให้มั่นใจได้ว่าเรามานี่เรามีโอกาสได้โอกาสได้ทำแตกิจเป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นธรรมมีมรรคมีผลเกิดขึ้นแน่นอนให้พิจารณาดูเออเรานี่เท่ากับเขาโค คนที่ไม่ทำความภาคความเพียนไม่ได้ไปฏิบัติทมเหมือนขนโคขนโคมเป็นมากน้อยแค่ไหนลองนับดูมันไม่คุ้มเลยที่มาเกิดเป็นคนถ้ายังไม่มีความดีไม่ยังไม่มีมรคมีผลนี่โอ้มันไม่ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทุกกี่ภพกี่ชาติไม่รู้จะเป็นอะไรต่ออะไรก่อจะได้มาอีกคนคนอี ก, กนานแสนนาน เพรา ะ, ะนั้นเราต้องทำความดีขอบดีก็คือให้ทานรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นเส้นทางไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่สวรรค์จาตุมราวดึงยามา รูชีตานิมานาดีปัจจุบัสวัสดีสวรรค์นี้เป็นที่อยู่สุขสบายของมนุษย์ที่ตายไปแล้วมีความสุขถ้าเราทําดีอยู่เป็นมนุษย์อยู่ก็มีความสุขขอให้ได้ทําความดีก็มีสุข นั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขไปนั้นมานี่ก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะบุญอุ้มชูจิตใจของเราให้เข้าถึงความสุขสบายอย่างเราตายไปแล้วไปสวรรค์ชั้นที่หนึ่งไปสวรรค์ชั้นที่สองไปสวรรค์ชั้นที่สามไปสวรรค์ ที่สี่ไปสวรรค์ที่ห้าที่หกสวรรค์หกชัน้นสวรรค์ทั้งหกชั้นนี้เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญที่ได้สั่งสมไว้แล้วในมนุษย์ตายไปแล้วไปสู่สวรรค์ให้ทานผลไม้ลูกเดียวก็ไปสวรรค์ได้ขอให้ทำความดีด้วยกิจกรมใส การไปไหว้พุทธสถานในประเทศอินเดียไปไหว้ที่ตรสรู้ที่แสดงธรรมที่เกิดที่ป ร, รินิพานของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่ไปถูกนรกเลยถ้าใครได้ไปล้วตายแล้วไม่ถูกนรกเลย นี่ก็เป็นทางแห่ ง, งความดีอันหนึง่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เหมือนกันว่าใครมีศรัทธาไปในสถานที่สี่ตำบล น, นี้สี่แห่งนี้ตายไปแล้วไม่ตกนรกเลยราวดึงสวนชั้นดาวดึงมีเยอะ คนที่ตายแล้วไปสวรรค์สันดาวดึงสนุกสนานเพลิดเพลินมีอารมณ์ดีงามสุขสบายให้ตั้งใจพากันปฏิบัติให้มันได้คุณธรรมขึ้นมาเราไม่ต้องเกิดอีกหลายภพหลายชาติอย่างใช้สุดเกดชาตินยพระสุนทรบัน์ อย่างดาวดึงนี่มีพันปีทิพย์อายุพันปีทิพย์ร้อยปีของมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาสาดาวดึร้อยปีร้อยปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทดวดาชานี มีอายุอยู่พันปีทิพย์มีความสนุกเพลิดเพลินมีความเย็นใจสบายใจมีความสุขเดิรุดนถ้าได้ไปสู่สุขติอย่างเราทำอยู่นี่ทำตามความสอนพระพุทธเจ้าเลยไม่ตกต่ำาได้ความสุขอยู่แล้วตายแล้วยิ่งสุขกว่านี้ นี่เป็นผลของการทำความดีไว้ตายไปแล้วไม่ตกทุกข์มีแต่ไปสู่ความสุขความเจริญให้พากันทำความดีให้มากสิ่งไหนที่ไม่ดีให้ละเลิกเคยกินเหล้ากินเบียตายแล้วก็ตกนรกตายไปตกนรก ตกนรกแล้วใครจะช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้มีแต่เราใช้กรรมในนรกทางแห่งความดีก็มีทางแห่งความชั่วก็มีสีนห้านะ่ะถ้าเราปฏิบัติตามศีหานะ่ะก็ทำให้เราไปสวรรค์ได้แล้วห้าข้อรักษาได้หมด ไปสวรรค์ได้เลยนั่งภาวนาทาสมาธิจิตสงบไปสวรรค์เหมือนกันถ้าบางคนที่ตั้งใจปฏิบัติหรือมีบุญเก่าสนับสนุนอยู่มาปฏิปทาบจิตก็เข้าถึงธรรมเป็นพระฤๅษี บ, บุคคลทั้งแต่สสดาบันสสดวบันเกิดไม่นานนะ เรามาเกิดในมนมุษย์เพียงเก็ดชาติเท่านั้นเองไม่มีชาติที่แปดแถมยังไม่ตกนรกด้วยเพราะนั้นเราต้องทำให้ได้คุณธรรมอันนี้ส่วนผู้มีบุญสนับสนุนอยู่ก็สูงขึ้นบางคนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือบางคนใกล้จะตายก็วางหมดทุกสิทุกอย่างใจก็โป่งโล่งหมดเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียว ทิ้งล่างอันนี้ไปใจก็ไปสู่พระนิพพานเนี่ยถ้าได้สูงสุดนะได้เป็นพระอรหันตนะ์้าไปพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นสุขสุขที่สุดแล้วไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อีกเหมือนไฟที่จุดเทียนไว้เนี่ยลมพัดดับหรือว่ามันหมดเชื่อมดเชื่อไฟ มันจะไปไหนอ่ะเหมือนจิตของคนที่บรรลุปเป็นพระอรหันเนี่ยแหละไม่มีเชื่อให้เกิดอีกมันวางได้หมดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีราคะตัณหาไม่มีพวกนี้อยู่ในใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่ในใจจิตใจเบิกบานแจ่มใส มีความสุขมากนั่นแหละเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูเรื่องนรกสรวรรค์นี่มีมากอธิบายไว้มากมายทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งภพ ม, มโลกทั้งนิพพาน เรามีบุญมีกุศลได้ไปสู่ภูมิเหล่านี้หมดขอให้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้เห็นคุณธรรมเกิดขึ้นในใจของเราให้ไปสู่สุขคติอย่าไปสู่ทุคติวิสุทิงหลายลักษณะของคนบาน เรื่องหมายของคนพาลเรื่องอ้างยิงของคนพานมีสามอย่างคือคนพานในโลกนี้มักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคาพูดที่ชั่วมักทาการกระทาที่ชั่วแต่พวกคนพานในโลกนี้ไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว ไม่พูดคำพูดที่ชั่วไม่ทําการกระทําทางกายที่ชั่วบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้ด้วยลักษณ ะ, ะเครื่องหมายแล ะ, ะเครื่องอ้างอิงอย่างไรว่าผู้นี้เป็นคนบาลเป็นอสสัตว์บุรุษเพราะคนบาลมักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วและมักทำ การกระทำที่ชั่วคนผ่านนั้นนั่นและย่อมสบยทุกโธมนัดสามอย่างนี้ในปัจจุบันคือถ้าคนผ่านนั่งในสภาก็ดีริมถนนก็ดีริมทางสามแร่งก็ดีชนในที่นั้นจะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่คาชั่วนั้น แ่คนบานมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมักถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมักดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัย อ, อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในเรื่องที่พูดกันนั้นคนผ่านนั้นจะมีความรู้สึกอย่างน้ว่าง ก็ข้อที่ชนพูดถ้อยคําที่พอเหมาะพอสมแก่เรานั่นแหละสภาพนั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏอยู่ในสภาพเหล่านั้นด้วยปิศานอยคนบานย่อมสวยทุกโทมนั่ข้อที่หนึ่งนี้ในปัจจุบันข้ออื่นยัมีอีกคน่านจะได้เห็นประชาชนทั้งหลายให้จับโจร โอ้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆคือ่บยด้วยแสบบ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยตรบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างลงโทษด้วยดีมอเกี่ยวน้ำสมบ้างคือการต่อยหัวสมองให้แยกออก แล้วใช้ขีมขีบก้อนเหล็กที่ลูกแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดปรุงขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดลนนหม้อหรือลงโทษ ด, ด้วยวิธีกอดสังบงังคือตัดหนังคว่นไปให้รอบจอนหูทั้งสองข้างและหลุมกอแล้วรวบผมทั้งหมดก็หมดไว้ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมา พร้อมกับผมแล้วใช้สายหยากัดกระโหลกศีรษะล้างให้่าวด่างสังหรือลงโทษด้วยวิธีปากราหูบางคือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากหรือใช้สิวตอกเจาะตั้งแต่ใต้จอนหูก็ไปชนถึงปากให้โลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอ้าหนังปากระหูหรือลงโทษดุวดีมาหลาฝ่ายบางคือใช้ผ้าชุบน้ํามันพันจนทั่วแล้วจุดไฟหรือลงโทษดุวดีคบมือบางคือใช้ผ้าชุบน้ามันพันมือทั้งสองข้างจนทั่วแล้วจุดไฟหรือลงโทษดุวดีริยวสายบาง คือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอจนไปถึงก้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกชุดคล้าไปนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองล้มลุกลุก ล, ก, กลานไปจนกว่าจะตายหรือลงโทษด้วยวิหนุ่งเปลือกไม้บ้างคือเชือดหนังเป็นริ้วๆเหมือนวิธีริ้วสายแต่ทำเป็นสองตอน ตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่งหรือหนังตอนบนให้คลุมลงมาปิดกายตอนล่างดูหนังนุ่งเปลือกไม้หรือลงโทษด้วยวิธียืนกวางบางก็ใช้ห่วงเหล็กรัดสอทั้งสองและเข่าั้งสองตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดินดูดังกวางถูกตรึง แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตายวิธีเกี่ยวเยื้เบ็ดคือใช้เบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนางเนื้อและเอ็นเข้ามาจนหมดวิธีเหรียญกระสับคือใช้มีดคมเชือดเนื้อออกเป็นแหว น, วนขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตายวิธีแปลงแสบ คือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกายแล้วใช้แปรงชุบน้ำแสบมีน้ำเกลือเป็นต้นทูกรูดสีไปมาให้หนังเนื้อเอ็นหลุดขาดออกมาหมดเหลือแต่กระดูกลงทัทวด้วยที่กลางเวียนบางคือให้นอนตะแกงแล้วใช้เหลาเหล็กต่อเข้าช่องหูให้ทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าทั้งสองยกขึ้นเดินเวียนหรือลงต้วดิวดีต่างฝ่างบ้างคือใช้ลูกหินบททับตัวบทให้กระดูกแตกละเอียดแต่ไม่ ห, หนังขาดแล้วจับผมรวบขึ้นเขย่าเขย่าให้เนื้อรวมเข้าเป็นกองแล้วใช้ผมนั่นแหละพันตลมวางไว้เหมือนต่างที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า หรือลงโทษด้วิธีให้สุนักถึงบางคือขังฝูงสุนักให้อดหิวโซหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมถึงพางเดียวเลือแตกกระดูหรือราดด้วยน้ำมันร้อนๆบางหรือให้นอนงายบนลาวทั้งเป็นๆบ้างหรือตัดศีรษะด้วยดามบางก็ในขณะที่เห็นนั้นคนพันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เราเห็นแห่งกรรมชั่วเห็นบันไดแลพระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆเห็นบันนั้นก็สภาพเหล่านั้นไม่อยู่ในเราและเราก็ปรากฏอยู่ในสภาพเหล่านั้นด้วยถ้าพระราชาทั้งหลายจะรู้จักเราก็จะจับเราแล้วสั่งให้ลงโทษชนิดต่างต่างเห็นบันนั้นบ้างพิสุตลายคนบาน ย่อมสวยทุกโทมนันข้อที่สองนี้ในปัจจุบันก็ออยังมีอีกคือคำลามกที่คนผ่านทำไว้ในการก่อนคือกายทุจริตวจิทุจริตมโนทุจริตย่อมแบ่ไปปกกลุ่มครอบกลุ่มคนผ่านผู้นั่งอยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดิน ในสมัยนั้นปริเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมแแบไปปกกลุ่มคราบกลุ่มแผ่นดินในเวลาเย็นฉัน้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่กำลามกที่ขนผ่านทำให้ในการกรคือกายทุจริวตวจิทุจริตและมโนทุจริตย่อมแแบไปปกกลุ่ม รอบกลุ่มคนพานผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นคนพานนั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำามกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความผิดทำแต่ความเลวและโลกนี้ไปจะไปสู่กติ ของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความบาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความผิดทำแต่ความเลวอย่างนี้แน่นอนคนผ่านนั้นย่อมเศร้าโศกลำบางใจกร่ำกรวนรำไห้ทุบอกโชคตัวถึงความงุนงงกลังเพ่คนผ่านย่อมสวยทุกโทมนัน้น ข้อที่สามนี้แหละในปัจจุบันภิกษุทหลายคนบานนั้นนั่นแลลรั้นประพฤติกายวาจาใจนั้นเป็นทุจริตแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตดนรกกร บ, บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องถึงสิ่งใดที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียวเขาพึงกล่าวการถึงนรกนั้นนั่นแหละก็ทุกนี้กับทุกใ น, นรกก็ทำการเปรียบเทียบกันไม่ได้ง่ายเลยเปรียบเหมือนราชบุตรจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงต่อพระราชาพระราชาจึงสั่งให้ลงโทษด้วยการแทงด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้า รอยเล่มในเวลากลางวันและร้อยเล่มในเวลายเย็นบุตรทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบรุตรนั้นถูกแทงด้วยหอกสามรอยเล่มพึ่งสบยทุกขโทมนัสเพราะเหตุที่ถูกแทงนั้นบ้างหรือหนอข้แต่พระอ์ผู้เจริญบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็สวยทุกโทมนัส เหตุที่ถูกแทงนั้นแล้วจเจ้าป่วยกล้ามไปใหญ่ถึงเห่าตั้งสามรายเล่มพระเจ้าคา่านั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบก้อนหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสตามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความก้อนนี้ว่าอย่างไรก้อนหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือ ที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมะผานอย่างไหนแลจะใหญ่กว่ากันแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้อหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่า ม, มือที่ส่งถือนี้มีประมาณน้อยนะักถ้าเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมะผานแล้วย่อมไม่ถึงซึ่งการนับได้ย่อมไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเชี่ยวประชก้า พิษุตตลายก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละทุกโทมนัส ท, ที่บุุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้ายเล่มเป็นเหตุกำลังสัวยอยู่นั้นเปรียบเทียบกับทุกของนรกย่อมไม่ถึงซึ่งการนับได้ย่อมไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซึ่งสวนเสี้ยวพิษุตหลาย เ, าหาเหล่านายนนิยบาล จะลงโทษสัตว์นรกนั้นด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิธาพันธนาะคือการจองจำห้าแห่งแก่คนบาส น, นั้นคือในนริบานจะตรึงตะปูเหล็กร้อนแดงที่เหมือนข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองและที่สู้งบกตรงกลางคนบาส น, นั้น ย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเราในนิริบาลจะจับเอากุนผ่านนั้นกึงพืชแล้วเอาขวานถากจะจับเอากุนบ่านนั้นเอาทามขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยปลา จะเอาคน่านนั้นนั่งเตียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโป่งมีแสงโฉดช่วงเหล่านายนริบาลจะให้คน่านนั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งพวกเขาถ่านเปลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโป่งมีแสงโวดช่วง เราในนิริบาลจะจับเอาคนผ่านนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วโยนลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟติดตั่วลุกโลงมีแสงชั่วช่วงคนผ่านนั้นจะเดืดเ อ, อ, อ, ด, ด, เอเเ ด, ดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้าง พล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบางพล่านใบด้านกว้างครั้งหนึ่งบางย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและจะไม่ตายราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดกเหล่านายนริบาลจะโยนคนบาท น, นั้นลงไปในมหานรก ก็มหานรกนั่นแหลมีสี่มุมสี่ประตูจัดแบ่งไว้เป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กล้อมรอบรอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กตื่นของมหานรกนั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโปงโ่งชั่วจวงแผ่ไปตลอดรอยอดรอบดานตั้งอยู่ตลอดการทุกเมื่อ พิสุลัยก็มหาโลกนั่นแหลมีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งขึ้นจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งขึ้นจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งขึ้นจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งขึ้นจากข้างล่าง จดข้างบนปลุ่งขึ้นจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นรกนั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแล้วจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกษตรัลายย่อมมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางกล่าว โดยล่วงระยะการนานไกลประตูด้านหน้าของมหานรกถูกเปิดสัตว์นรกนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วเหื่อเกาวิ่งไปอย่างเร็วยมถูกไฟไหม้ผิวบ้างไม่หนังบ้างไม่เนื้อบ้างไม่เอ็นบางแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบอวัยวะ ที่ถูกไฟใหม่แล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่เขาใกล้จะถึงประตูประตูนั้นก็จะถูกปิดสัตว์นรกนั้นก็ย่อมชวยทุกขเวทนานั้นกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหารโรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิุตลยย่อมมีสมัย ซึ่งในการบางกรังบางกราวโดยล่วงระยะการนานไกลประตูด้านหลังของม า, ารนรกถูกเปิดหรือประตูด้านเหนือถูกเปิดหรือประตูดังที่ใต้ถูกเปิดสัตว์นรกนั้นก็จะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วเป็นต้นแล้ประตูนั้นนั้นก็จะปิดลงก่อนที่สัตว์นรกนั้น จะออกไปได้สัตว์นรกนั้นย่ำสวยเวทนา น, นเป็นทุกข์ล้าแข็งเช็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดและมีสมัยในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนานไกล ประตูหน้าของมหานรกก็ถูกเปิดอีกสัตว์นรกนั้นจะรีบวิ่งเบี่ยงประตูนั้นโดยเร็วเป็นต้นและเขาจะออกจากประตูนั้นไปได้ก็แต่ว่ามหานรกนั้นแหลมีนรกเต็มด้วยคูดขนาดใหญ่คือนรกกุจระประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นรกนั้นจะตกลงในนรกอุจจารานั้นและในนรกคู่นั้นแล Hal, มีสัตว์ปากดังเข็มคอยเชื่อเฉือนผิวครัน้นเชื่อเฉือนผิวแล้วย่อมชเชื่อเฉือนหนังครัน้นเชื่อเฉือนหนังแล้วย่อมชชเชื่อเฉือนเนื้ อ, อ, อครัน้นเชื่อเฉือนเนื้อแล้วย่อมเชื่อเฉือนเอ็นครั้นเชื่อเฉือนเอ็นแล้ว ย่อมเชื่อเชื่อกระดูกครั้นเชื่อเชื่อกระดูกแล้วย่อมกินเยื่อในกระดูกชาตนรกนั้นย่อมสวยเวทนาหั่นเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอยู่ในนรกคูดนั้นเ็่จะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดก่อนนรกคูดนั้นแหลมีนรกที่เต็มโดยเท่ารึง คือฐานขี้เท่าที่มีที่ติดไฟลูกแดงจำนวนมากประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกนั้นจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นก็นรกเท่ารึงนั้นมีป่า ง, งิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชลูดขึ้นไปโยอดหนึง่งมีหนามยาวสิบก กุลีมีไฟติดตัวลุกลงมีแสงโชดช่วงเหล่านายนริบานจะบังคับให้สัตว์นรกนั้นขึ้นขึ้นลงลงที่ต้นยิวนั้นเขาย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสดเพ็ดร้อนอยู่ที่ต้นยิวนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังมีสิ้นสุด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 สัตว์นรกจะย่อมสวยเบตยนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผดร้อนอยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นเราจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดก็ป่าไม้มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำใหญ่มีน้ำเป็นดางประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกนั้น จะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามกระแสและทวนกระแสบ้างก็ล่าในนรียบานจะพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นบังไว้บนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหมาจำเริญเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้าหิว แล้นายนริบาลก็จะเอาขอเหล็กที่หย่ร้อนแดงลุกโปรงมีแสงช่อช่วงเกี่ยวปากให้เปิดออกแล้วใส่ก้อนโลหะที่ย่ร้อนแดงมีไฟติดทั่วลุกโปลมีแสงช่อช่วงเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้าง ไม่ขอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์รกนั้นเเผาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ออกมาส่วนทวารเบื้องต่ำเขาย่อมสวยทุกุเวตนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในที่นั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเหล่านนริบาลก็จะกล่าวกับสัตว์รกนั้นว่า ข้อมาจำเริญเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้ากระหายเหล่านายนริบาลก็จะเอาขอเหล็กเปิดปากออกแล้วเอาน้ำทองแดงร้อนที่มีไฟติดทั่วลุกโลงมีแสงโช่ช่วงรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่หขอบ้าง ไม่ทองบ้างของสัตว์นรกนั้นพาลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่อามาส่วนเบื้องต่ําเขาย่อมสวยเวทนาเั็นเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่นานที่นั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นจุดและเหล่านายนริบาลจะโยนสัตว์นรกนั้นเข้าไปในมหานรกนั้นอีก ปิกสต์อนไลเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอนเนกปริยายนี้แหละหนึ่งทุกนี้กับทุกในนรกเปรียบเทียบกันด้วยการบอกกล่าวไม่ได้ง่ายเลยปิกสต์อนไลก็เหล่าสัตว์เดรัชารที่มีจำพวกมีหญ้าเป็นอาหารก็มีอยู่สันวเดรชาเหล่านั้นย่อมใช้ฟันและกิมหญ้าสด ก็เราสัตว์เดรัจฉานที่มีหญ้าเป็นอาหารได้แก่มา้าโคลาแพะและเนื้อคนผ่านนั้นนั่นแหละผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกรรมลามบกไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับสัตว์จำพวก ที่มีหญ้าเป็นอาหารเหล่านั้นภิกสุตรายเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่มีคูดคืออุจจัระหรือของเสียเป็นอาหารก็มีอยู่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นได้กลิ่นคูดแต่ที่ไกลๆแล้วก็ย่อมวิ่งเข้าไปด้วยหวังว่าเราจะกินที่ตรงนี้ตรงนี้เปรียบเหมือนพวกปราม เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยตั้งใจว่าจะกินที่ ต, ตรงนี้คราวนี้ฉันใดสัตว์ในราชานที่มีคู่เป็นอาหารในแก่ไก่สุกรสุนักบ้านสุนักป่าคนพานนั้นนั่นแหละผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ ทำกรรมลามกไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับสัตว์จำพวกที่มีคูดเป็นอาหารเหล่านั้นิีษตจลายเหล่าสัตว์เดราชฉานจำพวกที่เกิดแก่และตายในที่มืดก็มีอยู่เหล่าสัตว์เหล่านั้นได้แก่แมลง ผีเสื้อกลางคืนไส่เดือนคนบานนั้นนั่นแหลผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกวามลามมกไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับสัตว์จมพวกที่เกิดแก่และตายในที่มืด พิสูจน์ตรงหนเราสัตว์ในกระฉันจำพวกที่เกิดแก่และตายในน้ำก็มีอยู่เหล่านั้นคือปลาเต่าหรือจระเข้คนพา น, นั้นนั่นแหลผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกรรมลามุกไว้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับสัตว์จําพวกที่เกิดแก่และตายในน้ําพิกษสุหลายสัตว์เดรัจฉานจําพวกที่เกิดแก่และตายในของโสโรครกก็มีอยู่คือสัตว์จําพวกที่เกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มีเกิดแก่ตายในศพเน่าก็มี ในขนมกุ้มมามเน่าก็มีในน้ำครั่งก็มีในหลุมโศโครก็มีคนบานั้นนั่นแหลเมื่อกินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกํานลา ม, มกไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในกองโศโครก พิสุทตะลายเล่าเก่าเราเก่าวเรื่องกำเนิดเดรัจฉานแม้โดยอเนกปริยายนี้อันหนึ่งความทุกนี้กับทุกในกำเนิดเดรัจฉานปเปรียบเทียบกันด้วยการบอกกล่าวไม่ได้ง่ายเลยก็เราไม่มองเห็นการจองจำอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้ เป็นนันดรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยกเขมธาทำอันไม่มีทำอื่นยิ่งไปกว่าเหมือนการจองจําในนรกหรือกาเนิดในรชาอย่างนี้ไม่ เ, เหมือนบุุษโยนทุน่นหรือแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรแอกนั้นถูกลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางตะวันออกถูกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางใต้ถูกลมใต้พัดให้ลอยไปทางเหนืออยู่อย่างนี้ในมาส ม, มุดนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีจึงจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งภิกษุทัลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเต่าตามบอดตัวนั้น จะพึงยื่นคอก็เป็นในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแ่งนั้นบ้างหรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าคา่าถ้าจะเป็นไปได้ในบางครั้งบางคราวก็โดยล่วงระยะการนานไกลแน่นอนพระเจ้าคา่ามิสุตรางหลายการที่เต่าตามบอดตัวนั้นจะพึงสอดคอก็เป็นในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในอห่งนั้น ยังจะเร็วกว่าล่ากล่าวการที่คนพาลผู้ไปสู่ในภพต่ำคือวินิบาตสักคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ความเป็นบุญนั้นยังยากกว่านั้นเสียอีกข้อนั้นประเหติไบร์เพระาะว่าในวินิบาตคือภพต่ำเหล่านี้ไม่มีการประพฤติรมไม่มีการประพฤติชอบไม่มีการสร้างกุศล ไม่มีการบำเพ็ญบุญมีแต่การที่สัตว์นรกกินกันเองสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเบียนเบียนสัตว์ที่อ่อนแนกว่าภิกษุน์หอยคนป่านนั้นนั่นแลถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆโดยล่วงระยะการนานไกลก็เกิดใหม่ในสกุลตำ่ำคือสกุลคนจันทาน หรือสกุลผานลาดเนื้อหรือสกุลคนจักสารหรือสกุลช่างรถหรือสกุลคนเทขอยมูลฝอยอันเป็นสกุลคนจนมีข้าวน้ำและโภชนาหาน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากซึ่งเป็นสกุลที่จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเครื่องและเขาจะมีผิวพรรณซามหน่าเกลียดจัง ร่างมอต่อมีโรคมากเป็นคนตามบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนกระจอกบ้างเป็นคนเปรี้ยบ้างไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยละไรกเรื่องตามประทีปคนผ่านนั้นนั่นแลก็ย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโ น, นทุจริต รันประพฤติกายวาจาใจอันเป็นทุจริตแล้วเมื่อตายไปก็ย่มเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตเป็นรกรปีสุลยเหมือนนักเลงการปรนันต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติลูกอย่างบางยิ่งขึ้นไปกว่านั้นต้องถูกจองจำเพราะความเคราะหร้ายครั้งแรกทีเดียว ก็เคราะห์ร้ายที่นักเลงการพนันต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นต้องถูกจองจําเพราะความเคราะห์ร้ายครั้งแรกทีเดียวนั้นเป็นความเคราะหร้ายที่มีประมาทน้อยที่แต่แลก็ที่คนป่า น, นั้นประพฤติกายวาจาใจอันเป็นทุจริตแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นเองเป็นความกคราะหร้ายที่ใหญ่หลวงกว่าความกคราะหรายนั้นพิสุทธิ์ายนี่แหละเป็นภูมิของคนพานครบ้วนบริบูรณ์